พระธรรมเทศนาแทนที่77ลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่3พฤษภาคม2558มีชื่อเรื่องว่าพลไม้สุกหรือดิบในที่สุดก็ต้องหลน เงียบสงบนะักทตนนะลูกหลานนะหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังจากเล็กน้อยคงพูดไม่ยาวหรอกวันนี้พอหลวงพ่อเขามาตั้งจังหวัดใส่จมูกหลวงพ่อละหลวงพ่อคงพูดไม่นานวันนี้วันนี้เป็นวันที่สามพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด เมื่อวานเ <c oughs> มื่อวานวันก่อนวันที่หนึ่งหลวงพ่อเดินทางออกจากวัดไปพอออกจากวัดกลัไปในงานศพของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภออำเภอ อ, ภ อ, อดีตเจ้าคณะอ ำ, อ, อำเภออำเภอบ้านผือพ่อขูจิตสุนทร์พอไปถึงวัดอรัญ อรันม่านผือก่อนเข้าไปแวะจากนั้นได้ถวายผ้าไม้และถวายจจตุปัจจัยร่วมงานก็น่าเสียดายท่านก็เป็นป่วยเป็นอมัอมพฤกอัมพาตมาแต่ก็ยังช่วยตนเองได้อยู่ก็ไปมาหาสู่กันเวลากิจนิมนต์เจอกันบ่อยอายุก็เท่าๆกับหลวงพ่อนะ อายุ70็ดเออเจ็ดสปีพันท่านขบวดเป็นสมมเนนกับหลวงปู่เทศบวตเป็นเนนแต่อายุน้อยเหมือนกันออกโรงเรียนแล้วก็บวตเท่าๆกับหลวงพ่อนะแต่ท่านเป็นเนนหลวงปู่เทศเป็นลูกหลานของหลวงปู่เทศเป็นลูกหลานของหลวงปู่จันสมพกขูจิต ออำเภอบ้านผือนะ่ะต่อมาท่านก็ได้เป็นเจ้าคนณะอำเภออำเภอบ้านผือจากนั้นท่านก็ลาออกนานแล้วละ่ะจากนั้นท่านก็ป่วยเป็นอำมพึกอัมาพาดก็มาแล้ภาพเมื่อวันที่สามสิบมั่งหลวงพ่อทราบข่าวพอวันที่หนึ่งหลวงพ่อก็ไปก็เลยไปมอบของถวายท่านจากนั้นหลวงพ่อก็เดินทางต่อ ไปที่ผาน้ําย้อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดงานบุรพาจารย์เขาจัดขึ้นมาเพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่ศรีมหาวีโรหลุงพ่อเขาได้ไปแสดงธรรมที่เจดีย์ใหญ่พวกเราไปเห็นเจดีย์ใหญ่ก็คงจ ะ, เ, ะเห็นตรงพ่อเขาไปนั่งแสดงธรรมอยู่ชั้นล่างนั่นะ ก็พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยม ข, ของมากอยู่และพระเกือบสามร้อยรูปมั้งพอแสดงธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อขอตัวเพราะมีภาระธุร ะ, ะทางนิคมคาสร้อยจังหวัดมุกดาหารก็เลยมาพักกับครูบายฉลาดถ้ากกสุพงเพื่อจะนัดพบครูบายจานันอำเภอหนองสูง ครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนหนองสูงเพชรยาคมหลวงพ่อพเรียกถูกหรือเรียกผิดก็ไม่ทราบนะแต่โรงเรียนประจำำําอําเภอเป็นโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอเพราะว่าก่อนหน้านี้หลวงพ่อก็เคยเขาในมลูลหลวงพ่อไปดูเขาอยากจะได้โรงเลี้ยงเด็กคล้ายๆหงลุงเลี้ยงอาหารเด็กไม่ใช่เด็กนะคล้ายๆเขาบอก เมื่อเด็กนักเรียนพักเที่ยงลงไปทานอาหารนักเรียนเป็นพันเป็นพันกว่าไม่รู้จะไปนั่งที่ไหนเวลาฝนตกเพราะนั้นอยากจะได้เหมือนกับโรงเรียนโสมพิษนันะ่นแหละหลวงพ่อก็ไปดูแต่พอไปดูก็สมัยนั้นก็กำลังของหลวงพ่อช่วยลงต่างโรงพยาบาลศูนย์อุดร หลวงพ่อโอ้ยไม่มีกําลังแต่ไปเห็นนะครับน่าจะทําให้เขาแต่ไม่มีกําลังแต่มาคราวนี้มาเขามาวันเกิดหลวงพอ่อทั้งพอ อ, อทั้งครูบาอาจารย์ก็มาบอกปารบขึ้นมาอยากจะได้หลังเก่านั่นแหละหลวงพ่อก็อืมเอ้ามีทุนเท่าไหร่เขาก็บอกให้ฟังและยังขาดเท่าไหร่เขาว่าประมาณชักล้านห้าน่าจะทําได้ หลวงพ่อก็เลยไปคราวนี้ไปเมื่อวานนี้ก็เลยตกลงเรียกครูบาอาจารย์มาแล้วก็ดูกระเป๋าตัวเองเลยคิดว่าน่าจะทําได้เอ้าทําได้ตกลงถ้าว่ามีสัญญาขึ้นมามีการเซ็นสัญญาแล้วก็ทําได้นะร้านห้าหลวงพ่อรับถ้าถ้าเกินกว่านั้นค่อยมาพูดคุยกันอีกถ้าอยู่ในระดับนี้ ก็หลวงพ่อจะเป็นสมทบร่วมเมื่อวานนี้หลวงพ่อก็ได้ตกลงกับทางโรงเรียนหน้องสูงเขาเขาก็คิดว่าคงจะดำเนินการต่อไปเนี่ยโดยมากหลวงพ่อไปนะัสถานที่ใดโดยมากมีแต่ไปให้ช่วงนี้นะไม่ค่อยได้ไปไปไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่โดยมากมีแต่ให้ พราะตัวเองก็พอเป็นพอไปอย่างวัดของเราคนนีนะ่ะเราอยู่อย่างพระกรรมฐานเราก็ไม่ได้สร้างอะไรหรูหราโออาอยู่ให้เป็นอยู่สร้างขึ้นมากับเพื่อให้เพียงพอสำหรับพวกเราใช้สอยคือการใช้งานนะแต่ศาลาหลังนี้ท่าว่าพวกเราลูกหลานทั้งหลายเห็นก็โอล้ลักษศาลาใหญ่หรูหรา แต่พอมาวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมาสล า, าหลังนี่เล็กเห็นได้ชัดคนเข้ามาพักจนไม่มีที่จะพักไม่มีที่จะนั่งเพราะอะไรเพราะคนมันมากเพราะนั้นการกระทำสิ่งไหนก็ตามทำให้เหมาะสมกับเรื่องราวเรื่องประการเป็นอยู่ของพวกเรา <c oughs> อันนี้ก็คือทางด้านวัตถุนะ เสร็จแล้วหลวงพ่อก็กลับมาเมื่อวานไปอยู่ทางนู่นทั้งเดินทางด้วยทั้งมีอากาศหนาวทั้งฝนด้วยก็ทำให้หลวงพ่อไม่สบายเหมือนกันนะทุกหลานเนี่อเดี๋ยวนี้มันคนโบราณเขาบอกว่ากระหม่อมกระหม่อมมันบางเวลาถือแดดถึกฝนหน่อยหนึ่งก็พร้อมที่จะเป็นวัดได้ง่ายง่ายเพราะนั้นหลวงพ่อกลักษณะอย่างนั้นแหละไปไหนต้องระมัดระวัง ถ้าเป็นวัดมันเป็นง่ายแต่มันหายยากนะคนแก่เป็นหวัดโดยมากวัดมันจะชอบอยู่กับคนแก่แต่หลวงพ่อได้สังเกตมาหลา ย, ลายองค์ครูบาอาจารย์โค้งสุดท้ายนี่โดยมากจะเป็นหวัดเป็นวัดติดหวัดแล้วก็คากเสเล็ตไม่ออกเสเลจติดคอแปลวา น, นั่นไปละท่ีนนี่แหละ <c oughs> อันนี้คือการมลนภาพของครูบาอาจารย์ที่ลุงพ่อเห็นเห็นมาเพราะนั้นเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นธรรมดาธรรมชาติธรรมดาแต่ลุงพ่อขูจิตอย่างที่ว่าเนี่ยกัท่านก็หกล้มนะลูกหลานเพราะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ก่อนจะเข้าห้องน้ำให้ละมัดระวังถ้าหากว่ามันหกล้มลงไปแล้วก็อันตรายเหมือนกันแต่พ่ขูจิตนี่ก็หกล้ม หัวไปกระแทกทางด้านซ้ายมัง้ง <c oughs> ตามที่โยมก็พูดให้ฟังแล้วเลือดมันออกในเลือดมันออกข้างในทำให้เลือดไหลไปลงไปก้านสมองอท่านก็เลยมันเมรณะภาพนี่แหละการมรณะภาพไม่ได้เลือกว่าเป็นพระ เ, เป็นเจ้าไม่ได้เลือกว่าเป็นคู่เป็นคน ไม่เรื่องว่าเด็กหนุ่มหนุ่มเด็กสาวไม่ได้ว่าคนเท่าคนแก่พร้อมที่จะไปได้ด้วยการทุกคนเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงแนะจึงบอกจึงกล่าวว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเกิดมาแล้วให้ประกอบคุณงามความดีจตอย่าคิดว่าตัวเองจะไม่ตา ย, ยาพูดง่ายๆ่ายเหมือนกับผ ล, ลไม้ท่านเปรียบเทียบชีวิตของคน เหมือนกับผ ล, ลไม้ผ ล, ลไม้ที่มันเกิดขึ้นมาเป็นลูกเล็กๆมันก็หล่นใหญ่ขึ้นมามันก็หล่นคารทำหามเป็นเม็ดมันก็หล่นผลใ่สุดไม่มีผ ล, ลไม้ลูกใดจะอยู่นานเท่านานไม่ไปข้ามปีไปได้ผ ล, ลไม้ทุกลูกต้องหล่นทุกลูกนี่แหละชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันเกิดมาเล็กๆ ก, ก่อตาย ใหญ่ขึ้นมาขนาดใดขนาดหนึ่งก็าตายเป็นหนุ่มเป็นสาวก็าตายลกลางคนก็าตายแต่ทุกคนไม่มีคนผู้ใดจะไม่ตายไม่มีท่านเปรียบเทียบกับผลละไม้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมพระเนนลูกหลานทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะชีวิตเป็นของไปเที่ยงแท้แน่นอน อัไหนคือคุณงามความดีอันไหนคือความดีอันไหนคือบุญกุศลทําสิไหนก็ตามอย่าทะเลาะเบาแวงกันให้พอมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันให้รักเมตตากันสิ่งไหนที่มันจะทะเลาะกันเราก็รู้จะทําทําไมสิ่งที่มันจะทะเลาะกันอันไหนมันเป็นผลคุณงามความดีถ้าไม่มีคุณงามความดีอันไหนก็ให้ภาวนา ให้ภาวนาเนี่ยนะมันไม่ทะเลาะไข่นั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธนี่ยอยู่ตามลําพังนั่นแหะเลิศประเสริฐที่สุดบุญกุศลยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่าการภาวนาที่จะทําจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันนคือจุดประสงค์ของพระพุทธทเจ้าจุดประสงค์ของพระพุทธทเจ้าที่ว่าท่านว่าการภาวนาเนี่ยเลิศประเสริฐที่สุดในหลักของพระพุทธศาสนา แต่โดยมากพวกเราไม่ค่อยเอานะอาภาวนานะมันยากเหลือเกินอพอภาวนาจะนั่งภาวนาท่านนะ่ะเหมือนจูงหมาใส่ฝนฮพอฟังเทศฟังธรรมก็เหมือนกันพอฟังเรื่องอัดเ ร, อรเรื่องธรรมเรื่องศีลเรื่องธรรมท่านน่นเหมือนจูงหมาใส่ฝนถ้าเราฟังดนตรีหมอรำขับร้องออันนั้นโอ้เท่าไรเท่ากันหัวฟัดหัวเวียงชอบใจฮ แต่พอฟังเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องศีลเรื่องทำใจไม่ค่อยสู้นะนี่แหละโดยมากกิเลส ข, ของพวกเราลักษณะอย่างนั้นแต่ตามไี่จริงเราต้องฟังเหตุและฟังผลฟังแนวความคิดเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นะาากว่าพวกเราเลือกฟังได้อย่างนั้นแปลว่าคนคนนั้นเ อ, อใกล้เขาใกล้ใกล้ศีลใกล้ทำเขามาแล้วนะแต่ถ้าว่ายัง อ, อ ไม่สนใจแล้วว่ากลัวธทรรมเกลียดรรมกลัวธทรรมอยู่นะแปลว่ายังห่างเหินอยู่เพราะนั้นให้พวกเราลูกหลานทั้งหลายนะฝึกฝนเอาไว้ชีวิตยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนั่นแหละเป็นของไม่ยืนนานไม่ยืนยาวเลยเออถ้าหากว่าอย่างหลวงพ่อเนะี่ยมาถึงจุดนี้นะ อย่างจุดหลวงพ่อยืนอยู่จุดนี้นอายุเจ็ดสิบกว่าเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยริบหลีนะเอแปลว่าสุดส่วยรวยแหลมไปแล้วนะมองไปข้างหน้านเพราะเห็ไุไหลดูสี่คนแปดสิบอายุเป็นยังไงอายุแปดสิบเป็นยังไงอีกจากนี้ไปสิบปีน่ะอพอแปดสิบกว่าปีเข้าไปแล้วเป็นยังไงเก้าสิบกว่าปีแล้วเป็นยังไงเพราะนั้นหลวงพ่อมองดูเออ ปั้นปลายชีวิตของหลวงพ่อที่จะเดินไปนะ่ยจากจุดนี้ไปนะ่ยมีแต่ลิปหลี่มีแต่ไปเรื่อยๆเนี่ยจะหาความสุขได้อย่างไรเดินก็ไม่สะดวกนั่งก็ไม่ซาดวกทานอาหารก็ไม่สะดวกหลับนอนก็ไม่ซาดวกอะไรมันเป็นภาระทั้งหมดเพอเป๋เป็นภาระของคนอื่นอีกต่างหากนี่เรีว่าพาราฮาเวปัญจักขันทานขันทั้งห้าคือ ร่างกายสังขารของเรานี่ตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยเป็นภาระหนักเรียกว่าภาราฮาเวปัญจักขันธาภารานิเข ป, ปรลังสุขขังการวางขันนะมีความสุขแต่มันวางยากนะต้องได้ศึกษาเรื่องวางขันจะทํำยังไรจรงจึงจะวางขันไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันปล่อยวางอันนั้นเราต้องศึกษานะ เป็นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเปรียดแต่พวกเราเนี่ยอ่ะราราเฮเวปัญจากขั้นฐานรู้เห็นได้ชัดเลยมันหนักจริงๆขันทั้งห้าเนี่ยอแต่การวางขันเนอันนั้นต้องศึกษาเป็นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าวางขันแล้วเป็นความสุขอย่างยิ่งนแต่วางยังไงวางขั น, น <c oughs> ถ้าว่าไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษามันวางยากเหมือนกนะันนั่งลูกหลานคณะสัตยา ญ, ญาติโยม พระเนนทุกอง น, นะเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะให้พรนะนา่านี่นะพูดไม่มากกับวันนี้เพราะว่าดูๆแล้วมันเป็นหวัดเป็นไอและลูกหลานเนะี่ย